หนูน้อยหมวกทองกาะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่งนามว่าบริเจ็ตอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆใกล้กักบโรสเบรีวูดทุกๆคนขนานนามเธอว่าหนูน้อยหมวกทองเพราะเธอสวมเสื้อคลุมสีทองอยู่เสมอเธออ่อนโยนและมีเมตตามาก วันหนึง่งแม่ของหนูหน้อยหมวกทองได้อบเค้กสตรอเบอรี่ที่แสนงดงามเค้กดูนะ่าอร่อยจ้งนะคะคุณแม่เราเอาไปฝากคุณยายดีไหมโอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยลูกรักแต่งเครื่องหนึ่งไปให้คุณยายกันเถอะนะค่ะคุณแม่เย้ยแม่ตัดเค้กและแพกเค้กที่แสนอร่อยใส่ตะกร้าสีชมพูที่สวยงาม ไปดีมาดีนะบริเจตระวังตัวด้วยนะลูกนะแม่เอาแซนวิทเจลลี่ใส่ไว้ให้กินระหว่างทางแล้วก็กลับมากับพระที่ตกดินหมาป่าจะออกมาหลังจากนั้นข้าคุนแม่หนูน้อยหมวกทองบอกมือลาแม่และออกเดินทางขณะเดียวกันในส่วนลึกของโรสเบร์รี่วูดมีครอบครัวของหมาป่าอาศัยอยู่พวกเขาออกหลอกล้อนเด็กๆและขโมยอาหารของพวกเขา แต่สาหรับเออโก้ลูกหมาคนเล็กสุดของครอบครัวก็ここไม่สามารถนำอาหารกลับบ้านได้เพราะเขาม่จิตใจดีและพูดจานุ่มนวลเขามักจะถูกพี่ชายแกล้งอยู่เสมอไงเออโกนายจะกลับบ้านโดยไม่มีมื้อเย็นอีกแล้วงั้นเหรอผมมีมื้อข้ามแสนอร่อยแน่นอนอันที่จริงผมจะได้กินเค้กแสนอร่อยด้วยเค้กงั้นเหรอขนาดขนมปังครึ่งแผ่นนายยังหาไม่ได้เลย หวังว่านายจะได้กินเค้กในความฝันนะพี่รอดูได้เลยผมจะชั่วร้ายผมจะเป็นหมาป่าที่ชั่วร้ายแน่นอนเข้าใจไหมเบเชต์เดินเล่นผ่านป่าอย่างมีความสุขเธอมองไปที่พวกนกที่กำลังบินเล่นกับพวกกรรอกและเก็บดอกไม้ที่สวยงามไปตามทางในขณะที่เธอฮัมเพลงไปด้วยตอนเดินเอโกดีเสียงของเธอเขาแอบเดินตามเหยื่อของเขา มีคนกำลังมาทางฉันซ่อนก่อนดีกว่าฉันจะได้อาหารแสนอร่อยแล้วเ อ, อกโกซ่อนตัวหลังต้นไม้อย่างรวดเร็วและรอให้หมวกทองเดินผ่านมาฉันจะทําให้เธอหวาดกลัวจนถึงกระดูกเลยเ อ, อกโกสุดหายใจชช้าและเตรียมพร้อมเมื่อเธอเดินผ่านมาใกล้เขาเขากระโจนออกมาเนินน้อยหมวกทองแปลกใจเล็กน้อย โอ้โองไงเจ้าหมาน้อยนายหลงทางงั้นเหรอเออ โ, โก้งงเป็นอย่างมากที่หนูน้อยหมกทอมไม่ตกใจเขาเลยฉันคือปีศาจ อ, อ, อ, อ, อู้อู้อ๋อนายคงหิวสินะฉันมีของกินมาให้และปริเจตนำแซนวิเยลลี่ที่แม่เธอเตรียมให้ออกมาแล้วก็ฉีกแบ่งมันนี่ของนายเจ้าหนูอ๋อ แต่นายต้องนั่งก่อนนะนั่งลงอะไรนะทําไมต้องนั่งนั่งลงเดี๋ยวนี้เร็วไม่งั้นฉันไม่ให้นี่กับนายนะเออตกลงขอมือหน่อยเร็วขมามือเออก็ได้ดีมากนี่ระงวัลของนายนะเออก็ชอบรสชาติของเยลลี่แซนด์วิชมากๆแล้วตอนนี้เขาถูกลูกค้าสัมผัสที่เขารัก เขาคลอเคียร์แล้วก็เลี้ยบริดเจตในทันทีเลยฮึ <c oughs> หยุดนะพอแล้วพอสิบริดเจตและเออร์โกเดินต่อไปในป่าถวิเก็บเบอร์รี่และแบ่งให้เออร์โกด้วยพวกเขากลายมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเออร์โกอยากรู้ว่าในตระก้ามีอะไรเขาพยายามรู้ให้ได้ว่ามันคืออะไรขณะที่กําลังเดินเ <c oughs> ออ มันเป็นเค้กสตรอเบอรี่แสนอร่อยที่แม่ชั้นทํามันน่ะฉันขอให้แม่แบ่งให้กับคุณยายและแม่ก็ให้ที่ทําให้ชั้นน่ะได้ออกเดินทางแล้วก็ได้พบกับนายไงละ่ะเอโก้ปลื้มใจเป็นอย่างมากมันเป็นอาหารเดียวกับที่เขาสัญญาไว้กับพี่ชายของเขาอืม mm. เออขอโทอด้วยนะชันคงให้นายไม่ได้อะ่ะมันจะไม่พอ้อยกับยายของชั้นแต่ ถ้ามันเหลือเรากินด้วยกันได้นะอืมแล้วฉันจะให้นายอย่างแน่นอนถ้านายเป็นเด็กดีนะหมวกทองลุบหัวเออร์โกและทั้งสองก็เดินทางต่อไปไม่นานเออโกก็ได้ยินเสียงพี่ชายในหัวของเขาไอเ อ, อโกนายจะกลับบ้านโดยไม่มีมื้อเย็นอีกแล้วงั้นเหรอหวังว่านายจะได้กินเค้กในความฝันนะ <laughs> ฉันกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยฉันต้องเป็นหมาป่าที่ร้ายกาจไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของใครเด็กคนนี้ไม่สมควรที่จะชอบฉันฉันต้องโดดร้ายอเออโก้หาวฮอนออกมาเ้อหมวกทองก็ไม่เข้าใจเลยเขากระโดดและโหยหวนไปมาันเธอรัมึนงงนายกำลังทำอะไรอยู่เหรอ ฉันไม่ให้นายหรอกนะถ้ากระโดดไปมาแบบนี้นายจะต้องทำตัวให้เป็นเหมือนเด็กดีนะรู้ไหมเออก็สงบลงแต่เขายังคงมโหตัวเองอยู่เขาสัญญากับพี่ชายแล้วว่าจะนำเค้กกลับไปมื้อเย็นวันนี้และนี่เป็นโอกาสของเขาฉันเป็นแบบนี้ไม่ได้ฉันต้องทำอะไรสักอย่างฉันไม่ใช่หมาบ้านฉันเป็นหมาป่าหมาป่าอ๋อเจ้าหมาน้อย นะ้าช่บป็สัตว์เลี้ยงที่น่ารักจังเลยน่ารักฉันงั้นเหรอโอโ้ขอบคุณเธอมากเธอทำให้ฉันเขินนะไม่นะเดี๋ยวก่อนฉันกำลังทำอะไรเนี่ยโฟกัสสิเออโก้โฟกัสจากนั้นเ อ, อโก้จึงวิ่งตรงไปยังหนูน้อยหมวกทองและแย่งตะกร้าจากมือของเธอฮะเจ้าหมาน้อยหยุดนะรอเดี๋ยวก่อนสิปริเชตวิ่งไล่ตามเขา เอเก็สามารถโดดข้ามพุ่มไม้หนาและรากของต้นไม้ใหญ่ได้เอาแต่ก้าของฉันคืนมานะบริเจตไม่สามารถวิ่งทันความเร็วของหมาป่าและเธอยังสะดุดกับรากของต้นไม้อ้เข้าของบริเจตที่น่าสงสารฟกช้ำและเธอไม่สามารถลุกขึ้นเธอเจ็บปวดทำอะไรไม่ถูกและเริ่มร้องไห้ออกมา บริดเจตร้องไห้ออกมาเสียงดงังจนเออโกโที่กำลังวิ่งอยู่ได้ยินวิ่งไปเออโกนี่เป็นโอกาสของนายแล้วนายสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าพี่ชายของนายผิดเธ <c oughs> อ, อต้องเจ็บแน่ๆเลยฉันน่าจะไปดูสักหน่อยแต่ว่าไม่นะฉันต้องเอาเค้กนี่ไปให้พี่ชายฉันเห็นก็ได้ก็ได้ ฉันว่าฉันคงร้ายกาจไม่ได้แล้วล่ะฉันต้องกลับไปฉันเป็นห่วงเธอมากเออโกวิ่งกลับไปหาบริเจ็ตเธอนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างน่าสงสารเออโกเห็นขาที่ฟกช้ำของเธอเขารู้สึกผิดอย่างมากเขาเืนตะก้าแก่เธอและนั่งลงข้างๆเธอเขารู้สึกผิดเป็นอย่างมากและห้ามน้ำตาไม่อยู่เขาร้องไห้ออกมาเช่นกัน ฉันเป็นหมาป่าที่แย่จริงๆฉันทำร้ายหนูน้อยหมวงทองได้ลองคองเธอช่างเป็นคนดีเมื่อเห็นเออก็ร้องไห้บริจิตโผกอดเขาทันทีอ๋อเจ้าหมาน้อยนายร้องไห้ให้ฉันงั้นเหรอไม่เป็นไรฉันเป็นหญิงแกร่งสบายมากฉันรู้ว่านายแค้นกับฉันใช่ไหมนายน่ะ ใจดีกับฉันมากเลยล่ะเออโกรู้สึกผิดกับการกระทำของเขาเขาเลียไปที่หนูน้อยหมวกทองในใครฉันงั้นเหรอหยุดนะบิเชตตและเออโกออกเดินทางด้วยกันอีกครั้งไม่นานพวกเขาก็มาถึงบ้านของคนใหญ่โอ้ว่าไงล่ะรักบิเชตตโอ้ล่ะ หลานผาหมาป่ามาที่บ้านอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ค่ะคุณยายหนูเอาเค้กมาให้และหมาป่าตัวนี้เป็นเพื่อนใหม่ของหนูคุณยายตกใจอย่างมากเมื่อเห็นหลานสาวของเธอเดินเข้ามาในบ้านพร้อมกับหมาปามา่ามานั่ากับชานสิเจ้าหมาน้อยอพวกเขานั่งทานอาหารเย็นด้วยกันบนโต๊ะและคุณยายก็กลัวจนเขากระโดกดำาเมื่อเห็นหมาป่า คุณยายตัดเ ค, ค้กให้กับตัวเองและหนูน้อยหมวกทองและนี่จะสําหรับหมาป่าน่ากินจังคุณยายหนูน้อยหมวกทองและเออกโกเริ่มทานหลานไม่กลัวหมาป่างั้นเหรอหมาป่าตัวนี้เหรอคะไม่กลัวเขาขนโดกมากเลยเนอะดีสิคะหนูจะได้กอดนุ่ม ชะมูเขาใหญ่มากเลยเนะดีเลยค่ะจะได้ดมกลิ่นหาเบอร์รี่ในป่าและเขามีฝันที่ใหญ่มากเลยนะเอาไว้กินหลานกินหนูงั้นเหรอไม่หรอค่ะคุณยายเขากินแซนวิชเยลลี่แล้วก็ชอบเค้ก ม, กมากๆเขาเป็นนักกินของหวานอะไรนะนักกินของหวานค่ะเขากินแต่ของหวาน หลานเพรู้มาจากไหนหนูอ่านหนังสือเยอะเลยค่ะคุณยายบริเจตกินต่อและหมาป่าตัวน้อยของเธอก็ทำให้คุณยายสับสนอย่างมากหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาทั้งสองก็ตัดสินใจที่จะกลับบ้านโชคดีนะบริเจตโชคดีเจ้าหมาป่าไปก่อนนะคะคุณยายบอกลาเร็วเราต้องไปก่อนที่พระอาทิตย์ตกดิน แม่บอกฉันว่าหมาป่าจะออกมาตอนกลางคืนเออโก้รู้สึกดีมากที่ได้ใช้เวลาของเขาไปกับหนูหน้อยหมวกถั่วที่น่ารักแต่เอโกก็เศร้าเช่นกันเพราะเขาไม่ได้เอาเค้กกลับไปโชว์ให้พี่ชายของเขาดูโอเคหมาน้อยฉันต้องกลับบ้านแล้วนะขอโทษทีที่ใช้กองเอานายกลับบ้านกับฉันไม่ได้แม่ไม่ชอบสนะัตว์น่ะแล้วเราต้องไดพบกันใหม่อีกแนะ่ฉันมั่นใจ เออเดี๋ยวก่อนและบริดเจตได้เอาเค้กสตรอเบอรี่ชิ้นใหญ่ออกมานี่ของนายตามที่ฉันเคยสัญญาไว้นายเป็นเด็กดีฉันจึงเก็บเค้กสตรอเบอรี่นี้ไว้ให้กับนายเอานี่ไปกินเป็นมือค่ำนะฉันรู้ว่านายชอบมันหนูได้หมกทองสวมกอดเออร์โกเข้าคเคลียร์เธอกลับไป ดูแลตัวเองให้ดีนะเจ้าหมาน้อยเอโก้และบริเจตแยกทางกันเพื่อกลับไปยังบ้านของพวกเขาดูน้อยหมุกทองกลับมาที่บ้านของเธอและบอกแม่เกี่ยวกับการปผจญภัยของเธอขณะที่แม่กำลังทำแผลให้แม่มั่นใจนะว่าไม่มีลูกหมาอยู่ในป่าแต่แม่คะมีลูกหมาป่าอยู่จริงๆนะคะแม่แค่ไม่เชื่อนหนูเอโก้กลับมายังบ้านและทาให้พี่ชายของเขาประหลาดใจด้วยเค้กชิ้นโตนี เป็นไปได้อย่างไรกันฉันแค่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองมันทำให้ฉันมีกินมากมายไปเลยเออโกซึ้งใจอย่างมากที่ได้เป็นเพื่อนร่วมกับหนูหน้อยหมวกทองมันทำให้เขาได้เรียนรู้ว่าเขาไม่ต้องพยายามเป็นอย่างอื่นนอกจากตัวเองเขาอยักคงใจดีและมีเมตตาต่อคนอื่นๆที่เดินทางผ่านป่าอยู่เสมอนั่นทำให้เขาได้รับอาหารแสนอร่อยมากมาย